วิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะมรค8ดคือสมถวิปัสสนาถ้าย่อให้มามันก็ศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสมถะหรือวิสมาธิก็คือสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็าได้ก็คือมรค8มรค8เนี่ยนะแปรย่อลงมาเหลือสมถวิปัสสนาแค่สองก็ได้ย่อลงมาเหลือเฉพาะอะไร ศีล ส, สมาธิปัญญาก็ได้สามารถย่อได้ขยายได้แต่รายละเอียดก็คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดแ8นั้นเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถนำเอามาใช้ปฏิบัติได้และผู้ปฏิบัติตามนั้นพ้นจากทุกจริงเนีย่ยนะพ้นจากทุกจริงแต่ที่สำคัญที่สุดบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติและทำนิดๆหน่อยๆแล้วบอกโอ้ยทำไมไม่เห็นพ้นจากทุกอะไรเลยเนีย่ยนะ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 ทีนี้ศีลเนี่ยนะศีลทั้งหลายศีลศีลถ้าพูดตัวใครที่เรียนอภิธรรมมาบอกศีลคืออโทสะสมาธิคืออโลพะปัญญาคืออโมหะเนี่ยนะพันสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเน้นอโทสะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเน้นอโลพาสัมมาวทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเน้นอะโมหะอะตัวนั้นเนี่ย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 ความโง่เหมือนสิ่งที่เป็นปฏิบัติทั้งหลายเช่นความสว่างเป็นตัวกําจัดความมืดความดีเป็นตัวมากําจัดความชั่วแต่ถ้าหากว่าแไม่ใช่ถ้าแปลแค่ปฏิเสธเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของพระพุทธเจ้าสอนความหมายที่พระพุทธเจ้าแนะนําอะโลพะหมายถึงตัวกําจัดความโลภอะโทสะตัวกําจัดความโกรธอโมหะเป็นตัวกําจัดความหลงความโง่เขลาทั้งหลายนะ เหมือนอย่างว่าโมหะเหมือนความมืดอะโมหะก็เหมือนกับแสงสว่างเนี่ยนะเป็นตัวที่เรียกว่าปฏิปักษ์เป็นตัวกำจัดวันศินสมาธิปัญญาก็คืออโลพะอะโทสะอะโมหะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าผู้มีบุญทั้งหลายทําไม่ยากเจริญไม่ยากแคบเดียวเขาก็ตรัสรู้ได้เขาก็เห็นอริยสัจได้แต่ถ้าหากว่าคนที่บุญน้อยสั่งสมบุญมาน้อย มันก็มีทางเดียวก็คือเพรา ะ, มะเมล็ดพันุ์อโลภาอะโทสะโทอะโมหะลงในในใจตัวเองก่อนแม้เกิดมาแตใจนี่ไม่เคยไม่เคยยินดีในกุศลเลยเนี่ยนะถ้าใจเนี่ยไม่น้อมไปในการเจริญกุศลเลยสักเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเราพร่องเรื่องกุศลมามากานะนะเขามาเคยมานั่งนิกถึงตัวเองนะไอ้สมัยเด็กๆเนี่ย น, นะเราเห็นสัตว์เราเคยสงสารมันบ้างไห ม, ม, ม, ม, มถามมัไม่เคยเลยตั้งคําถามมาตอบมาไม่เคยเลย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 จากธรรมดาจากกุศลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยจะเกิดให้มันเกิดบ่อยๆทำยังไงให้กุศธรรมเหล่าเนี้ยเกิดบ่อยๆในใจของเรายมเล่าอะไรนะบอกว่าถ้าโกรธบ่อยๆทําไม่ยากแต่ถ้าหากว่าเมตตาบ่อยๆทํายากล่ะเงินเออทายังไงให้มันตรงกันข้ามอ่ะนะให้มันโกรธยากยากแต่เมตตานี่ง่ายง่ายเนี่ยนะแต่ก็มีหลักการนะพรงษ์บอกว่าคนดีทําดีเอ่อคนชั่วนะทําดียาก คนดีทำชั่วยากนะมันก็แปลว่าถ้าเราบอกแหมความดีเกิดยากแล้แสดงว่าเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยกเข้าข้างตัวเอง่าแหมดีดีเนี่ยนะเทพบระบุเ ท, ทพพิดามาเกิดอาจอช่หมดบุญแล้วละนะอดีตเคยเป็นอะไรงั้เถ้าโทรศเอแต่เกิดได้นะฮะ นึกเมื่อไรก็โกรธทุกทีเลยนะนึกเมื่อไร่ก็ไม่สบายใจทุกครั้งเลยนะเว้ยไม่สบายเรื่องไม่สบายใจมาเป็นเดือนๆนะทำไมทําได้ใช่ไหมแต่เจริญกรรมฐานเนี่ยให้มันตอน่อเนื่องกรุ่นอยู่แบบนั้นเหมือนกับความโกรธใครสักคนหนึ่งนะนึกเมื่อไหรก็โกรธเนี่ยนะบอกแบบแบบแบบอะไรนะกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะคล้ายๆแบบนั้นอนะ่ะเมื่อไหรนะ่นะนะเมื่อไหรแบบอะไรนะโลเป็นวันๆเลยโล บ, บ่อยๆเนี่ยมีไหมโยมว่ามีไหมเคยคิดถึงใครบ้างไหม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 และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์แปลว่าเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกข์เปรียบเหมือนอะไรเหมือนเรือนําข้ามฟากนําข้ามจากที่1สู่ที่1เหมือนรถนําออกจากที่หนึ่งไปสู่ที่1เหมือนกับสะพานเชื่อมจากที่หนึ่งไปสู่ที่1คําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสะพานก็ได้เสตุคาตะเนี่ยเสตุเขาเรียกว่าสะพานอริยมรรคเนี่ยก็คือสะพานเป็นเหมือนกับสะพานข้ามจากวัตตะสุวิวัตะ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 โรมีปัญหาทางความคิดไปเลยเนี่ไอตอนที่ชักชวนออกมาถามว่าเด็กคนนี้มันเจ็บปวดไหมตอนที่ไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นแล้วถูกเตะถูกเทือดทุกวันเนี่ยนะก็เจ็บปวดแต่ทําไมทนอยู่ได้ก็มันชอบเขาอะ่ะ น, นะก็มันชอบอะ่ะเพราะความชอบนั่นแหละเป็นที่สาเหตุแห่งความเจ็บปวดเพราะว่ากลับมาเธอลูกเผื่อเขาจะใจดีกับหนูในวันหลังว่างั้นตอนนั้นก็ทนทนทนๆ น, นแต่ในที่สุดก็ก็ เ, เขามีครอบครัว ม, มีมีอะไรไปแล้วตัวเองก็ถึงกับว่า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 เด่นนะยิ่งปีข้างหน้าด้วยเนี่ยนะโอ้โหไม่แน่นะเพราะมันแก่ไปอีกปีหนึ่งแนละ้วอะไรอะไละ่ะอย่างเนี่ยนะนะเสื่อมโทมหย่อนยานหมดเว้นแต่หูตึงขึ้นตึงขึ้นเนี่ยฮะตั้งหลายครั้งเนี่ยนักว่าจะได้ยินเนี่ยหูมันตึงตึงตึงตงอย่างเออเ น, นี่เสียหายหมดแล้วต้องไปทำํำศัลยกรรมหมดละมันก็ก็เป็นอย่างนี้มันก็มีปัญหาไปหมดเลยนะแต่ก็ยังคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้นะหลอกตัวเองตลอดเลยนะ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 บางคนก็บอกเขาเลิกชอบแล้วอาหารอร่อยไหมอร่อยอนะมีอะไรน่าเบื่อหน่ายบ้างไหมคิดว่าน่าจะเบื่อหน่ายนะแต่ตอนนี้ยังถ้าโอ้ยอย่างงี้อีกนานแบบนั้นเอถอะไม่มีวีว่แววเลยจะบรรลุได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในทุกเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกเนนะไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเหตุ ใ, ให้เกิดทุกก็คือความยินดีในกองทุกนั่นแหละ ความเพลิดเพลินกับทุกนั่นแหละมันจึงมันจึงเป็นทุกเนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับบอกว่าบางคนเนี่ยเคยเกิดมาดื่มเหล้าเนี่ยโอ้ยเมาอาเจียนโอ้ยเสร็จแล้วบอกว่าสาเหตุเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรก็ชอบน้ําเมาไงพอหายปั๊บไปดื่มต่ออีกก็ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเขาเมื่อไหร่มันจะเลิอกอาเจียนเลิกทุกแบบนี้บอกไม่ได้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 ว่าจะทำเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะนะนายยมตัยนะว่าจะแล้วหลายครั้งมากนะนายยมตัยก็ว่างั้นนะว่าจะว่าจะก็เลยไม่ได้สักทีเนี่ยนะประเภทว่าจะว่าจะศีลดีไหมดีเอาไหมยมอดบวชดีไหมบอกดีบวชไหมอ่าเรื่องมันยาวใช่ไหมเรื่องมันยาวนะบอกไม่ได้บวชหรอกตอนนี้อยู่วัดอยู่แล้วบอกวัดไหนบอกวัดตะนะอยู่ในวัดตะอยู่แล้วอย่างนั้นอยู่ในวังน้ำมนอยู่แล้ว แล้หลายคนเนี่ยถามเออถามเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องบวช ด, ดีไหมบอกดีมากครับอู้อย่างนั้นนี้บวชเลยไหมบอกเพิ่งศึกไหมทุกคนก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะบอกศีล ส, สมาธิปัญญาดีไหมถามว่าโกรธกับไม่โกรธไหนดีกันไม่โกรธดีกว่าตอนถ้ามันมีเหตุการณ์ขึ้นเลือกโกรธหรือเลือกไม่โกรธก็เลือกไม่โกรธเลือกโกรธนั่นแองนะบอกโลภกับไม่โลภไหนดีกันไม่โลภดีกว่ า, ถ, วาถ้าเห็นของที่เราชอบเราเลือกโลภหรือไม่โลภ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 แปลว่าอะไรก็แปลว่าขอโ ง, ง่ตามเดิมดีกว่าโง่ฉันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนนะก็อยู่ขออยู่ตามเดิมทั้งชั้ต่อไปก็แล้วกันฉันไม่รู้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็แปลว่าอะไรขอเป็นปุถุชนตลอดไปอย่างนั้ น, น, นก็เพราไม่คิดจะรู้เอาอริยศาสตร์ดีไหมบอกดีอยากเห็นไหมเออเขาต้องคิดดูก่อนเหมือนกันนะคล้ายแบบถ้ายัางงี้ทําเป็นรอบครอบใช่ไหมแต่ที่อากุศลแล้วไม่เคยสุคุมอะไรเลยเนี่ยนะโชงทางนะ ปรมาณอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้เย็นนะอยู่ตรงเนี้คุยกับอาจารย์สมบัติทำโน่นไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออย่างงั้นโอ้ยเรื่องนี้ทําเป็นรอบครอบก็ว่างั้นนั่นที่เรื่องอื่นนะแหมเราเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะแบบเรื่องนี้ทําเป็นรอบครอบก็ว่างนันทำเป็นฉลาดขึ้นมาก็ว่างั้นอันนี้ก็ลักษณะนั้นบางทีนะเ อ, อ๊เราก็มาคิดดูว่าออชีวิตของเราเนี่ยไปยังไงถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อันนี้ทุกแน่นอนเชื่อเถอะ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 แค่เกิดได้ปุ๊บพะยังมากก็เดินค่อยๆเดินก่อนเนี่ยแค่นั้นแหละมันทุกเรื่องเกิดจากการฝึกหัดขึ้นมาทั้งนั้นคุณธรรมทั้งหลายคือสติปัญญานสัมมปาปัญญาเนี่ยนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างพระไตยไปิกเป็นตู้ๆเลยนะสาระของคําสอนทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเจริญสติปัญญานสัมมปาปัญญาอธิบาตอินทรีย์พะละโพชฌงและองค์มรรคนั่นแหละคือคือพระ อ, องค์ต้องการให้เรามีสิ่งเหล่านี้พระ อ, องค์เลยสอนมากมายพูดมากมายพูดเยอะแยๆเลยนะ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 ก็สอนเพื่อให้สอนพระวินัยเพื่ออะไรเพื่อสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะสอนพระสูตรเพื่อสัมมาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสอนพรอภิธรรมเพื่อสมาธิฏิสัมมาสังกัปปะพระวินัยก็คือศีลพระสูตรก็คือสมาธิพระภิธรรมก็คือปัญญาก็คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราเจริญคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเรียนทั้งปีดกสามก็ได้พระที่ทรงพระใจปิดอกจริงๆไม่มาก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 เพราะอะไรเพราะเป็นคำสอนที่ดีและถูกต้องนะถ้าตั้งแต่ระดับล่างๆยังดีขนาดนี้แล้วระดับต่อๆไปอันนี้ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าพระองค์ไม่สั่งสมบุญมาขนาดนี้ไม่สร้างบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเนฆคธรมะเจริญปัญญาภาพเพียรด้วยวิรยิยมีขันติมีสัจจะมียธิฐานมีเมตตาและมีอุเบกขาถ้าพระองค์ไม่มีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยนะ